เขาตั้งมัดทั้งมวยใส่อันนี้เขาเอื่อไว้เนี่ยประกลอ ก, กใส่จังห์สิทธิบินปิ้นตาใส่แล้วก็ไม่ชอบเกิดอันนี้ทาลมเหมือนกันอันนี้ทารมเนี่ยความจริงถ้าเราเอเป็นนักปฏิบัติท่านก็ให้พวกพื่มีกุศลนี่เขาจะเอาประโยชน์ได้นะกุศลเนี่ยกุศลเขาแปลว่าถลุงกุศลนี่จะเลือกเอาอารมณ์มาเป็นอาหารอความชอบความไม่ชอบเป็น เรียกว่าเป็นเยื่อเมือกเป็นเลือดสูดๆขาวๆของอารมณ์นั่นแหละเพราะฉะนั้นสติสัสพพัญญาที่เราเรียกมันว่ากุศลเนี่ยจะเข้ามาถลุงคือทําให้เอพิษสงตกออกจากอารมณ์หลุดลนออกจากอารมณ์เขาเรียกว่าเชื้ดเฉื่อนทํา ม, มีส่วนขี่ริ้วออกไปหรือแปลว่าถลุงนั่นแหละสี่ขาสี่ขาเครื่องมือของสี่ขาจริงๆคือสติสัพพัญญะสติที่เราฝึกอยู่นี่แหละ ในขณะที่เอาเกิดอารมณ์นี้เอาเข้ามาประกอบเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทุกท่านนี่จึงไม่มีโอกาสเพ่งเจ้ามองเขมิงออกนอกเ<อ>ช่นมีใครคนหนึ่งนายกนายขอเขาว่ามาเราจะไม่ได้เพ่งจ้ามองดูเจ้าของผู้เป็นต้นเสียงเราจะกลับมาดูใจของเราเนี่ยเพราะว่าวิธีปฏิบัติของเราเนี่ไม่ห่างเหินจากตัวถ้าใครมองหน้าคนอื่นเนี่ยเรียว่ามันทิ้งฐานมันไม่อยู่กับเนื้อ ก, กับตัวมันไม่เป็นกายานุปัสนา พอเสียงมากกับตูหูเรากลับมาดูที่นี่มาดูกายานุปัสสนามาดูฐานใจก็เห็นอารมณ์นี่ดูกิจานุปัสสนาก็แสดงว่าเราประกอบอยู่ทุกข้างเป็นคนขยันอธิจิตเตะจะอายโยโคเป็นคนหมันมันประกอบเป็นคนขยันเอาสติที่เราฝึกเอาไว้นี่เข้ามาประกอบในขณะที่เกิดอารมณ์สติที่เราฝึกเอาไว้เป็นจมันจะเป็นเครื่องมือในการฉลุงหรือเป็นเครื่องมือในการเฉืด่ดเฉือนทำมีส่วนขี้ริ้วอารมณ์ที่ เป็นอนิถาลมไม่ใช่ว่ามันไม่ดีมันเป็นอารมณ์เบื่อเมาก็จริงแต่ว่าเราไม่เอาอารมณ์ทิ้งไม่โยนทิ้งเราเฉพาะเราจะจัด ก, การเฉพาะกับพิษสงของมันเท่านั้นดังนั้ น, น, นเครื่องมือจัด ก, การหรือเครื่องมือทะลุงเนี่ยก็คือสติสัพพัญญาดังนั้ น, น, นท่านจึงมีสุภาษิตให้เอาสติสัพพัญญาเข้ามาประกอบสุภาษิตบด น, นั้นว่าโยคาเวชายเตภูริปัญญาจะเกิด ถ้าเอาสติเข้ามาประกอบปัญญาเกิดถ้าเราเกิดโกรธใครคนหนึ่งนี่เขาว่ามาเขาใช้คําพูดไม่ไพเราะเสนโสดุดเราก็โกรธเขาเกิดปฏิกะเกิดงุนิดเกิดรําคาญเกิดเดือดดานเกิดเจียดแค้นนี่เป็นอนิจธาอารมณ์อารมณ์เกิดขึ้นอย่างเนี้อารมณ์นี้มันเป็นเสมือนผักเสมือนปลาเตรียมมาเพื่อเป็นอาหารใจ่ะคนที่ฉลาดจึงฉลาดนี่เป็นคนมีกุศลนะคนที่ฉลาดเขาก็เอาสติเข้ามาประกอบ เขาไม่ได้โยนอารมณ์ทิ้งอารมณ์ที่เราไม่พอใจเขาไม่โยนทิ้งครูบาอาจารย์ก็บอกว่าอย่าด่วนปฏิเสธอย่าด่วนตัดสินใจรับนั่นแหละคืออย่ายโยนทิ้งเพราะว่าอารมณ์นี่ยังเป็นอาหารของเราได้เป็นอาหารใจเราจรึงควรจัดการกับมันเฉพาะพิษสงที่ติดมากับอารมณ์ดัง น, น, นั้นเราเจรึงเอาสติเข้ามาประกอบให้มาเห็น คนที่ไม่เพ่งจ้ อ, องมองเขงแมแขงออกไปทางนอกจะไม่เห็นหน้าเขาแต่กลับจะเห็นอารมณ์หรือเห็นธรรมอารมณ์คนที่เห็นธรรมนี่เป็นคนประเสริญนะ เ, เนี่ยเป็นคนแสวงหาสิ่งประเสริญเขาเรียกว่าอริยะอริยะป ร, ะเริเยสนสนาแสวงหาอย่างประเสริฐคนที่แสวงหาอย่างประเสริญจะไม่ไปเห็นเงินเห็นทองนะถึงเขาไม่ไปเห็นเงินเห็นทองเขามาเห็นอารมณ์ก็เรียกว่าเห็นสิ่งประเสริญเห็นอารมณ์ ขนอารมณ์ที่เกิดขึ้นจะกพอนาเนี่ยทัศนนุตตระเยะควาเห็นอันเยี่ยมปริบัตานุตรตระยะปริบัติอันเยี่มวิมุตตานุตรตระเยะความพ้นอันเยี่ยมเนี่ยเห็นอันเยี่ยมคือเห็นอะไรคือเห็นอะไรเห็นจิตมันปุงมันแก่ปริบัตทานุตรตระเยะปริบัติต่ออารมณ์เนี่ยอารมณ์เนี่ยมันปุงมันแกงปุงเป็นโกรธเป็นเกียดเป็นเสียดเป็นขุนเป็นอารมณ์ชุลมุนว้าวุ่นอย่างนี่ยเราเห็นแต่ว่าไม่ได้เอาตาเนื้อเห็นแต่เนื้อของเราไม่สามารถจะมองเห็นแย่น คือตาสติสัพเพชะยะเขารู้สึกตัวนั่นแหละในขณะที่เราเกิดกลัวเกิดเกียบเรารู้สึกตัวว่าไม่ชอบกับคำพูดของเขาเราอย่าไปเพ่งแค่มองเขมี่ออกไปข้างนอกเพราะว่ามันจะเห็นคนอื่นให้ให้กลับมาเห็นเราเท่านั้นแหละคือเรายกมือขึ้นนี่ไม่ใช่ว่ารูปประธรรมมันยกมือนะความจริงก็นมามธรรมเนี่ยใจเนี่ยมันยกมือใจนั่นเป็นผู้ยกมือมือจริงยกไม่เชื่อลองคิดดูสิเราจะเขียนหนังสือเนี่ยถ้า เราเข้าใจว่าจิตของเรามีเท่านั้นดวงมีเท่านี้ดวงนี่เราเขียนหนังสือจะเขียนจดหมายไปหาเพื่อนมือเรามันมีสองมือมือซ้ายจะให้เขียนหนังสือฉบับหนึ่งมือขวาจะเขียนหนังสือฉบับหนึ่งได้ไหมเนี่ยมือเนี่ยมันยกเอ่อยกปากาดินสอในเมื่อจิตของเรามันมีดวงเดียวมันก็ยกปากาได้ทีละดวงมันก็ควบคุมมือได้มือหนึ่งให้เขียนหนังสือจะมาถ่าจิตของเรามันหลายดวงมันก็คงจะบังคับให้มือซ้ายทํางานอีก ได้จดหมายฉบับหนึ่งเสร็จไปพร้อมกันกับมือขวาได้แต่นี่มันมีข้างเดียวที่เรายกมือขึ้นก็ตัวจิตนั่นแหละมันผู้ยกอะดังนั้นในขณะที่เราไม่เอาจิตไปมองหน้าเขาจิตของเรามันมาเห็นตัวเองมันก็ขาดจากทางนั้นแล้วมาทำงานอยู่กับนี่แล้วมันเลยไม่ทิ้งฐานนี่แสดงว่าจิตมันไม่หนีฐานมันเป็นกายานุปัสนามันอยู่กับกายมันเป็นจิตตานุปัสนามันเห็นอารมณ์เพราะอารมณ์อะไรเกิดขึ้นอารมณ์ดีมันก็ถลุง เพราะว่าดีนี่เราถ้าเราทําดีมีคนอผู้ใหญ่เขาไม่สรรเสริญเยินยอเราก็หมดกําลังใจเหมือนกันนะเนี่ยดีแตกเหมือนกันนะดีเพราะฉะนั้นเราต้องระวังดีดีก็มีพิษดีก็ให้โทษเหมือนกันนะอะคําพูดที่ดีดีคำพูดที่ไปเลาะไปเลาะนี่พ่อแม่จริงไม่ไม่เอามาไม่เอามาให้เราอย่างคําสรรเสริญอย่างคํายอเนี่ยอ วันทั้งอีสานเขาเอื่าหนอดละเสียคนเมื่อกันนะเขาบอกว่าอะไรคําคําโคงของคนอีสานหวานมันหันไปร่วมแทกินหลายทองสิือหลานเลยขมมันถึงมีคารโลนกินได้ทองโบเสียคำพูดที่ไพโรสเนาะเสือคําพูดที่เป็นคํายอเป็นคำซาระเสือนอุปามามเหมือนสิ่งหวานหวานเขาบอกว่าหวานมันหันมีคาร์โลนหวานมันหันมีอย่างหวานมันหัปนปร่วมแทกินหลายทองสิือหลานเลย ผมมันทีมีคารวนกินได้ทองบริสิอายาที่เขาตักเตือนด้วยความจริงใจแต่ว่าเราไม่ชอบกับคำพูดของเขามันเป็นยามารักษาโรคของเราเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เรามาปฏิบัติธรรมะเราก็จะรักษาโรคผ่านไปเมืองน่านไปเห็นอำเภอปัวปัวนี่ลูกหลานเข้าใจไหมมันหมายถึงอะไรปัวภาษาถิ่นเขาแปลว่าอะไรปัวอําเภอปัว ภาษาเรานี่เขาหมายถึงอะไรปัวยในภาษาอีสานเขาแปลว่ารักษานะเ อ, อบ้าบกพอป่วยอย่างนี้บางอย่างขันพ่อปัวจะต้องบ้าค้างไว้เดี๋ยวจะควายออกไปส่งโรงพยาบาลขันเป็นเพ่อว่าได้ว่าหนึ่งบอท่านพ่อป่วปัวนี่แปลว่ารักษานะป่วนี่เพราะฉะนั้นอำเภอปัวนี่คนแถวนี้คงจะเป็นหมอคงจะเคยปัวใครต่อใครหรือไม่ฉะนั้นก็คงแถวนั้นคงเป็นโรคประสาท เคยส่งโรงหมอแต่ว่าเราไม่เอาเอแต่ว่าคงจะฉลาดนี่แหละแต่ว่าเรามันลืมภาษาถิ่นของเราปัวที่ภาษาอาัารย์เขาแปลว่ารักษานะ่ะปัวเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็มาปัวมารักษาเ อ, อทั้งทั้งที่โลกของเราบางทีถ้าถามว่านู้นนูลูกหลานเดี๋ยวนี้ใครป่วยไม่มีใครป่วยแต่ว่าคนไม่ป่วยเนี่ยก็เป็นคนดีแหละ อรูขยาปรมาราพาคนไม่มีโรคนี่ถือว่าเป็นราบเป็นราบอย่างยิ่งด้วยแต่ว่าถ้าให้หมอเขาพิสูจน์จริงๆเช็คหมดดูร่างกายนี่อาจจะมีอยู่นะอืมันมันยังไม่แสดงตัวเฉยๆนะเป็นอยู่ข้างในลึกๆเป็นอยู่ข้างในลับๆนี่ไม่ยังมีนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีธรรมะเราจะรักษาตัวไม่ตลอดในเมื่อประเทศชาติอาศัยคนหนุ่มคนแน่นผู้เกิดสุ้าภานหลังเป็นลุมกําลังของประเทศ เนี่ยจะมีอายุไปยาวนานนี่ถ้าพูดตามการเกิดก่อนหลังนะถ้าไม่ไม่มีใครรัดคิวเนี่ยผู้ที่เกิดที่หลังก็ตายที่หลังนั่นแหละถ้าโรคภัยไม่มาตัดก่อนถ้าอุบัติเหตุไม่เกิดขึ้นก่อนถ้าหนูหนูลูกหลานรักษาตนตัวไปดีให้ตลอดรอดฟังก็เรียกว่าไม่ไม่เป็นเรียกว่าอนาคตของประเทศก็อยู่ในกํามือของพวกหนูหนูลูกหลาน ดังนั้นถ้าอะไรเราไม่มีธรรมะนี่เราจะรักษาตัวไม่เป็นคนไม่มีธรรมะเพราะว่ามันจะไม่มีอัปิเษกนะธรรมบทอัปิเษกนิธรรมเนี่ยพระท่านก็นํามาสวดนะพิจารณาแล้วเสพของไปสังขยโยเนี่ยนุ่งผมก็ยังมีอัปิเสกนะธรรมพิจารณาก่อนนะเรายอมพิจารณาโดยแยบคลายแล้วนุ่งห่มกีวรดูสิพระท่านนุ่งห่มกีวรท่านพิจารณาผ่านการพิจารณาก่อนนะ การพิจาราเป็นฟันเหมือนกันนะเป็นฟันบทอาหารใจนะฟันบทอาหารกายเนี่ยข้างล่างกับข้างบนนี่ใช่ไหมแต่อาหารใจนี่ในเมื่ออารมณ์มันผ่านเข้ามาอารมณ์มันเป็นปฏิฆะเป็นอณิถารมณ์มันชวนให้เราเกิดปฏิฆะปฏิฆะคือโกรดนิดๆหน่อยๆไม่พอใจเกิดคำพูดของเขาโกรดแล้วนั่นปฏิฆะปฏิฆะมุอหยีลำคาญหรือดานเชี่ยแฉ่นี่แล้วปฏิฆะเนี่ยเรามันยาวขนาดนี้เราเอาฟันอะไรมามา บทมกขยี่มันฟันสําหรับบทอาหารใจเนี่ยธรรมวิจยัยวิจัยวิจารแยกแยะแหลกละเอียดไปเลยอย่างนี้แต่ว่าเราไม่ได้มานั่งวิจัยวิจารเราเอาสติเข้ามาประกอบมันเป็นผลดีที่สุดมันจะเป็นสิ่งที่เอเชื่อเฉือนทําให้ส่วนขีร้วมารีโกกบอกว่าถอนความพอใจและความไม่พอใจนะอาตาปีสัพพชานโนสติมาวินัยเยโยเยพิชฌาทัวมนาสังมีความเพียนเปลงครื่งเอากิเลดมีสัพพัญญามีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจดูสิ ความพอใจที่เกิดขึ้นก็เอาสติเข้ามาประกอบจะต้องจัดการกับอทํามีส่วนขี้ลิว้วความไม่พอใจเกิดขึ้นก็เอาสติเข้ามาประกอบเพื่อจัด ก, การกับทํามีส่วนขี้ลิว้วเพราะฉะนั้นบาปกับบุญเนี่ยความดีกับความกรรมขาวกับกรรมดาเนี่ยนรกกับสวรรค์เนี่ยเราอย่าไปไหว้ใจในเมื่อเราอยู่สวรรค์สวรรค์นี่มันมีแต่เทวดาอยู่เดี๋ยวนี้พวกเราก็เป็นเทวดาไหมเออ ถ้าเราไม่มีปัญญาก็ไม่เป็นเทวดานะเทเทเทวานี่มาจากศัพท์หนพู้ลูกหลานเขาเอื่นที่ว่าที่ว่าแปลว่ากลางวันน่นนี่เทวาผู้ดใดท่านสิดท่านหาก็าให้เป็นเทวายุสันฟ้าหย่อนหย่อาเข า, เขาอันแหลกันนะอ ม, มาจากที่ว่าเทวามาจากที่ว่าแปลว่ากลางวันราจีกลางคืนนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เราไอ มีปัญญาเป็นเครื่องส่องสว่างนะจริงๆ จ, จะเรียกว่าเป็นเทวาถ้าเรามีปัญญาเป็นเครื่องส่องสว่างพอเกิดอารมณ์ขึ้นเรามีปัญญาเป็นเครื่องส่องสว่างเราเห็นความขุนตามความเป็นจริง อ, อ๋อเดี๋ยวนี้เราเกิดขุนใจใจของเราเศร้าใจของเราเกิดโซ่หมมใจของเรากระเพื่อมเกิดปฏิฆะเกิดงูหยิดนี่เห็นตามความเป็นจริงเราเลยเริ่มไม่ปล่อยโอกาสให้โลกทางกิตมันเล่นงาน เรารักษาเสียเองโดยไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องให้ใครนําตัวเราไปหาหมอเราจัดการกับโรคที่กําลังเกิดขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าโรคจิตนะเพราะฉะนั้นคําว่าปัวนี่ก็เราจัดการปัวกับมันเสียเลยปัวปัวนแปลว่ารักษารักษาจิตให้หายขุนมัวสศร้าหมองออมันเต็ีมการเข้าไปชําระเน่ะสจิตาประโยชน์ทัพนังการชําระจิตแต่ว่าการชําระจิตมันไม่เหมือนกับการชําระเสื้อผ้าเสื้อผ้าของเรามัน ไปแปดเปื้อนกับโครนํามออะไรต่างๆมาจีบมาแป ด, ม, ดมันเป็นจุดด่างจุดดํามันมีแฟบมีสบู่มันก็ชําระง่ายซักล้างง่ายแต่ว่าชําระจีบนี่จีบของเรามันไปติดแปดอะไรมาจีบของเราขมมอมูลทิ้งทางนอกมันเข้าไปจับไปเกาะไม่ได้มันเป็นเรื่องเสียใจมันเป็นเรื่องดีใจนี่แหละไม่ใช่อื่นไกลออกเพราะฉะนั้นกุศลมีมีคําแปลต่างๆแปลว่าชําระ ใช้กิจกาประโยชน์ทนางด้านการจําระกิกุศลแปลว่าเชื่อเขื่อนแต่มีส่วนขี้ริ้วกุศลกุศลแปลว่าถลุงดูสิกุศลนี่แยกแยะเอาสิ่งที่ติดมากับอารมณ์ออกไปให้หมดเพราะฉะนั้นเราอย่าเข้าใจว่าอารมณ์เนี่ยไม่มีประโยชน์ต่อเราอารมณ์ดีอารมณ์เสียเป็นประโยชน์ต่อเราหมดเราอย่าไปโยนเข้าป่าอย่างพืชต่างๆเรายังศึกษาไม่จบอย่างหัวกรอยอย่างนี้เป็นความเบเมื่อเมาแท้ๆหัวกรอยนี่ บรรพบุรบของเรายังหาวิธีเอามาเป็นอาหารโดยเอามาอปอกเปลือกทิ้งฝานเป็นแผ่ น, นบางๆๆๆๆเอาเกลือมาขย้ำเข็มๆให้เค็มที่สุดแหละขย้ำใส่กันจนมันนิ่มอ่ อ, อนนุ่มไปหมดแหละแช่น้ำเกลือตั้งสองสามคืนเสร็จแล้วจบมาล้างน้ำเย็นสามวันเชื่อได้ทีนี่หมดละพิสุงแต่ว่าการกาจัดอารมณ์ไม่ได้กาจัดอยู่สามวันอย่างนั้น พออารมณ์มันเข้ามานี่มันหลุดลอยไปง่ายๆถ้าเราเอาสติเข้ามาประกอบถ้าเราเอาสติเข้ามาประกอบหมายถึงรู้สึกและลึกตัวเห็นอารมณ์นั่ น, เ, นเขาเรียกว่าเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าไม่เอาตาเนื้อเห็นหรอกผู้ใ ด, ดเห็นธรรมมาเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเห็นธรรมมาลมอยากจะต่อให้มันเต็มเสเลยอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้านในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่งคลอนแคลนเขาควรพ่อคูนอาการมันเป็นอาการนะไม่ใช่ว่าเห็นด้วยตาเนื้อได้อย่างตาเนื้อเดี๋ยวนี้เราเห็นกัน อย่างรเรว่าเห็นพวกลูกหลานเห็นครูบาอาจารย์เห็นแต่ตัวตนสกลกาเห็นส่วนที่เป็นรูปธรรมเนี่ยเราเห็นกันเห็นด้วยตาเนื้อแต่เดี๋ยวนี้ลึกเข้าไปส่วนลึกเห็นอีกไหมในร่างกายของเราเนี่มันมีชุดใหญ่ๆคือมันเวทนาขันมีอีกเออตั้งแต่เวทนาขันนี่มันละเอียดเข้าไปแล้วล่ะไม่สามารถจะเห็นด้วยตาเนื้อขีดความสามารถของตาเนื้อก็เห็นเท่านี้แหละเห็นแต่รูปธรรม ส่วนเวทนาใครร้อนเดียเ๋ยวนี้ไม่รู้จักใครหนาวเดียเ๋ยวนี้ไม่รู้จักใครเหน็ดเหนื่อยบ้างใครเมื่อยล้าบ้างใครเจ็บปวดที่แข้งที่ขาบ้างใครเป็นอิิค้าที่แข้งที่ขาบ้างไม่เห็นแล้วตอนเนี้ยมันเป็นปัจจุบังมันเป็นเรื่องของแต่ละท่านจะต้องเอาสติเข้าไปเห็นถ้าสติเห็นแล้วอย่าไปเพ้อเฉยดูได้จะต้องปวดเปื้อนให้มันยิงได้ชื่อว่าเรามาปฏิบัติต่อส่วนที่เป็นรูปธรรมปฏิบัติธรรมะก็มีสองส่วนเนี้ยรูปกับน้ำเนี้ย ปฏิบัติต่อมันถ้ามันเจ็บมันปวดถ้ามันเหน็ดมันเหนื่อยถ้ามันเมื่อยล้านั่นแสดงว่ามันเข้ากับบทสวดที่ว่าอาการกายอย่างอื่นที่เราจะต้องทําให้ดีนั่นแหละที่เราจะต้องเข้าไปแก้ไ ข, ขที่เราจะต้องเข้าไปปล ด, ดเปลื้องที่เราจะต้องเข้าไปทําให้มันเกิดความเบาสบายด้วยการเปลี่ยนอิบทที่ จ, จริงๆตัวดัง น, นั้นอิบทเราจริงมีหลายหลายอิบท ים, มีท่ายืนมีท่าเดินมีท่านั่งมีท่านอนเขาจรงิงอุปมาเหมือนเสือ้อเหมือนผ้าที่เราสวมใส่ก็มีหลายชุดคนหนึ่งไม่ใช่ว่าคน คนหมือนมีชุดเดียวกิดตัวหลายชุดอิลิยาบทสําหรับผัดเปลี่ยนแก้ไขความเก็บความ ป, ปวดเมื่อยนี่ยมันก็มีหลายท่าเหมือนกันเขาว่าอิลิยาบทมีหลายท่าเหมือนเสื้อผ้ามีหลายชุดผ้าเ ม, เมันบูดเหงือใครจับปีนเมันสาบเราลาคาญสวมชุดไหมไปกำมรหาบบอเมันสาบเราสําราญอิลิยาบทก็ฉันนั้นไหมบรรเทเก่าหายหดอันนี้จังเหมือนกังหันมุนเร็วจีไม่รยรอเช่นยืนนานมันอิ่มพอต่อให้อีกก็ไม่ไหว เดินหรือนัง่งมั่งก็ดีสุขจะมีแก่กันไปมิแตนใรก็ต้องนอนมาบรรทอนบรรเทาทุกแมเมืเม่อนอนหวังเกิดสุขนอนยังทุกเมื่อเกินการสุขสําราญหรือทุกทนพระละคนทุกอิริยาบถยถาภูตายานรูตานกิ่งยิ่งปรากฏผู้กําหนดจะทราบซึ่งเห็นคนบึ้งสามมันเอ่ยเราเราก็ควรเข้าใจเรื่องบางเรื่องที่เราเอาสติสัพจัญญาเข้าไปแก้ไขไม่ได้เข้าไป เดียวว่าอทุกนี่มันมีอทุกต้องกําหนดลูกใช่ไหมอริยสัจสี่อริยสี่ทุกสมุทัยนี่รุนมากนี่ทุกต้องกําหนดลูกสมุทัยต้องละนี่รุนต้องทําให้แย้งมักต้องเจริญมักต้องดูอย่างนี้ก็ได้เหมือนอ่หนุ่มไปมักสาวต้องอต้องมันไปเยี่ยมต้องมันเดินไปดูไปไปพูดไปคุยอยู่เรื่อยแหละนี่นี่มักต้องดูมักต้องเจริญ เรากินข้าวเยอะๆก็เรียกว่าเจริญอาหารเราไปเยี่ยมเขาบ่อยๆก็เรียกว่าเรามักไปดูไปพูดไปคุยเรื่อยถ้าห่างไปนานก็ไม่ดีสามวันเว้นดีดซ่อมโดนตีเขาว่าไหวอย่างนั้นใช่ไหมละ่ะจะจริงหรือเปล่าอัขระห้าวันหนีเนืินซ่าจากกี่วันจากนาลีเป็นอื่นเขาว่าหลวงพ่อจําไม่ได้หรอกเนี่ยมันธรรมะของเราเนี่ยเดินทางให้มันถึงกุศลนะให้เรามีกุศลทุกท่านเนี่ยแหละกุศลคือความฉลาด กุศลนี่มันจะเป็นที่พึ่งอันเกษมที่พึ่งอันประเสริฐสูงสุดเดี๋ยวนี้เรามีกุศลในน้อยคือมีสติตัวเดิมทุกคนมีสติถ้ามีสติทำไมจึงมาฝึกฝนอีกเดี๋ยวนี้เรามาใครเดินเจ้า ก, กงมใครสร้างเจ้าสร้างเจ้าก็ว่าฝึกสติคล้ายๆกับเราไม่มีสติความจริงเรามีอยู่สติของเราแต่ว่ามันไม่นับเนื่องในสติ สัมโพชฌงค์มันไม่ใช่สติสัมโพชฌงค์ถ้าเป็นถึงขติถ้าสติของเราพัฒนามาถึงขั้นเป็นสติสัมโพชฌงค์มันเป็นศีลแล้วสติตัวนี้มันเป็นตัวศีลแล้วเดี๋ยวนี้เรามีศีลเฉพาะศีลแปดมีศีลห้ามีศีลแปดมีศีลสิบมีศีลสองร้ยิบเกตคือพระสงฆ์สามนิลเราสามนิลมีสิบพระสงฆ์มีสองร้ยิบเกตแต่ว่าศีลคือสตินี่ยังไม่มีนะเดี๋ยวนี้เรากําลังทําให้มันสมบูรณ์ศีลคือสติเนี่ย เขาเรียกว่าอารไยกันแต่สินสินตัวนี้ไปจากธาสิวสินตัวนี้แหละมันช่วยถลุงสินตัวนี้ยมันเชิดเฉือนทําให้สวนขี้ริ้วสินตัวนี้แหละมันแยกแยะสิ่งแปลปลอมออกจากอารมณ์เรียกว่าเผานะชานเขาแปลว่าเผาอาหารอาหารกายนี่มันจะต้องสุกใช่ไหมสุกด้วยไฟที่มาลุกโชดจวงนี่ไฟไฟนอกนะลูกโชด่วงอาหารใจต้องถูกไฟคือตะปะอาตาปีอาตาอาตาปีสมิชาโน่ตะปะนั่นแหละแปลว่าเผาเหมันกันนะ มาเพียงเพราะได้ยินเสียงใครคนหนึ่งพูดไม่ไปล้อเขาพูดออกมาเขาก็แนีกนันแนะยเขาสุประมาณอะไรเราอย่าไปเพ่งเจ้ามองเขมี่ออกนอกเรากลับมาดูเนี่ยเราจริงจะเป็นคนไม่ทิ้งฐานอยู่กับฐานกายหรืออยู่กับฐานใจถ้าถ้าไม่หนีฐานใจก็เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าจะเป็นอารมณ์รักอารมณ์ชังแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเอาเครื่องมือที่ดีมาเชื้อเฉือนทํำมีส่วนขี้ริ้วให้อารมณ์ของเรานี่หมดเอเยื่อเมือกให้เรากินอาหารเจ อาหารเจทางใจนะอาหารเจทางกายก็พวกถั่วผลงาผลสีอิ๊วเต้าเจียวอาหารเจทางใจคืออารมณ์ที่ไม่มีพิษสงไม่มีอุปทานประกอบนั่นแหะเขาเรียกว่าเบนจกขันไร่น้ำหนักเอเรียกว่าเอาสติเข้ามาประกอบให้ความขูดข้องหมองใจมันหลุดหลุนออกไปจิตใจของเราก็เออ่ไม่ขึ้นไม่ลงถ้ามันขึ้นมันลงนี่เรายังเป็นปุถุชนขนสามันอยู่ถ้าเขาเอาถ้าเขาสุ่ประมาจิตใจมันตก เรียกว่าถ้าเขาสารเสริญเยินย่อจิตไปใจมันฟูลักษณะจิตใจยังฟูยังแฟงยังฟูยังแฟ ง, ฟยงฟ อ, ยฟอยู่นี้เขาเรียกว่าจิตใจขึ้นลงกับเพื่อมไปตามคลื่นของโลกกระทำแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติที่มีกุศลมารักษาแล้วจิตใจของเราจะเป็นเส้นตรงพอดีพอเจอโลกกระทำฝ่ายอิทธาลมจะไม่ฟูขึ้นจะประครับประคองจิตใจไม่ไม่ห ล, ลงไม่ลุ่มหลงในกระแสเสียงที่เขาสาัลสลเสินเย็นยอถ้าเขาสุ ป, ประมาเยียยา้ำขู่ตะคอก จิตใจของเราจะไม่ตกถึงกับแฝดโหดห่อกระท่อถอยเรียก ว, ว่าอยู่ในประคับประครองเป็นอีกนี่ยเรียกว่าสตินี่เข้ามาประคับประครองเชื้อเชื้อทำมีส่วนชี้ริ้วออกไปหมดพิษสงทุกครั้งนี่นี่มันอาหารใจเราจะต้องผ่านไฟจึงเป็นจึงเป็นอาหารที่ปลอดจากโลกอาหารกายก็เหมือนกันอาหารใจก็เหมือนกันแต่ว่าไฟที่ เป็นเครื่องเผาอาหารกายนี่ไฟลุกโช ช, ช่วงไฟที่เป็นเครื่องเผาอาหารใจเนี่ยคือสติสัพพัญญะคือตะปะเอามาประกอบทุกขั้งอย่าเผออันนี้ถ้าใคร เ, เตรียมพร้อมระวังทางตาระวังทางหูในโบทของเขาก็ว่อาอินทรีสังวรสำรวมอินทรีแต่ ว, ว่าระวังตา ตาเราอย่าไปบังคับให้มันไม่เห็นอะไรเลยระบังหูเราอย่าไปปิดหูว่าอย่าให้หูได้ยินเสียงอะไรเลยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่วิสัยเราไม่ปิดหรอกตาก็ไม่ปิดหูก็ไม่ปิดเดินจงกรมก็เดินถอดไกลๆพอประมาณสร้างจังหวะเราก็ไม่หลับนี่แสดงว่าเราไม่ปิดเราไม่ปิดตาไม่ปิดหูแล้วความที่เรามีเครื่องมือปิดต่างหาสติสติปัญญะเป็นเครื่องมือปิดสติเดสานิวาลังค์สถิติเป็นเครื่องห้ามก็สติเป็นเครื่องปิดเครื่องกันนั่นแหละ สติเป็นเครื่องเผาพิสงหรือเจือเฉียนทํามีส่วนที่รล้วของเรามันมีอยู่แล้วดังนั้นเราจึงเปิดโอกาสให้ตาของเราเห็นเปิดโอกาสให้หูของเราฟังเปิดโอกาสของเราไอทางใจก็ให้ให้มันคิดไม่ใช่ว่าเราไม่ห้ามคิดเราเลยนโกกมอยู่ดีๆวันหนึ่งมันจะคิดจีข้างก็ให้มันคิดเราไม่ได้ห้ามแต่ว่าเรารู้ตัวว่ามันลกคิดคิดโดยไม่ตั้งใจนี่แปลว่าลกคิดอ๋อพอเห็นมันคิดอ๋อนี่มันลักคิด นี่มันทิ้งฐานไม่ไม่อยู่มันไม่อยู่กับฐานแล้วก็อย่าไปตามมันแล้วกลับมาอยู่ดูกับกายการเคลื่อนไหวให้ไวยกมายกมือนี่ก็ให้มันรู้สึกเดินโยกมืนี่ก็ให้มันรู้สึกในความคิดมันก็อาจจะคิดขึ้นมาเป็นห่วงๆเป็นข้างเป็นข่าวหรอกมันต่อไปมันก็คงจะไม่ถีเหมือนอย่างคนใหม่ก็ห่างขึ้นห่างขึ้นอันนี้ก็ขอฝากขอฝังเพราะว่าการปฏิบัติธรรมนี่มันเป็นเรื่องยากๆเป็นเรื่องละเอียดแต่ว่า คูบอาจารย์มาพูดกับลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจธรรมะแล้วสิ่งเสียดจิตต่างๆมันไม่ใช่อาหารเพราะว่ามันเป็นเครื่องบําเรอเครื่องบําเรอนี่มันเป็นเป็นสิ่งเผาเราตั้งสองทางเผาร่างกายเราด้วยเผาทรัพย์เผาศีล เ, เราด้วยอย่างคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งจะไป น, นอนกับผู้หญิงคืนหนึ่งจะนอนได้กี่คนความจริงเราอย่าถือว่าเราได้เปรียบ ช่วยโอกาสเอาเลยอย่างนั้นก็ไม่ได้ความจริงเราจะเป็นคนตายเครื่ อ, องบำเรอนี่มันทําให้เราตายเครื่องบําเรอไม่ไม่เหมือนอาหารอย่างยาสูบนี่ก็เป็นของบําเรอนะเพราะว่าของบำเลอพระศาสดาก็ไม่ปฏิเสธว่ามันอไม่โอชะความจริงพระศาสดาก็ยอมก็ยังยอมรับอยู่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกยังมีอัศาธาอยังมีสิ่งที่เราจะต้องรุ่มหลง ในรสชาติของมันคําว่าอาัศธายังมีสิ่งดีๆที่มันมีรสโอชาที่เราทั้งหลายไม่มีธรรมะจะต้องรุ่มหลงถ้ารุ่มหลงแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันเอามันมาเอาเล่นกับมันพอไปเล่นกับมันเราก็เป็นผู้เสียคนเราก็ได้รับชดอได้รับรสชาติอันโอชาหวานมันเฉยๆแต่ว่ามันไม่ไปสร้างเมื้อสร้างหนังให้เราอย่างยาสูบเนี่ยว่าหนึ่งจะสูบ ก, กีม่วงจะสูบ ก, กี่ซองจะตั้งใจสูบให้ ร่างกายของเราอ้วนท้วนสมบูรณ์ก็ไม่ได้กินหมาแก่เนี่ยจะกินกีคําร่างกายร่างกายของเราก็ไม่อ้วนท้วนสมบูรณ์ไม่เหมือนข้าวข้าวนี่มันเป็นอาหารมันจะต้องเข้าไปกระตุ้นส่วนซึกงรอยหย่อนยันให้อ้วนดีเพียงามขึ้นมาส่วนอาหารมันเป็นอย่างนั้นส่วนของบําเรอมันเป็นสิ่งให้เราเสียหายเสียหายทรัพย์สินเราเลยไม่รู้จักวิธีปิดรูรั่วเขาบอกว่าหน้าป่าเขาเขียนไว้อย่างนี้นะ่เรื่องปิดรูรั่ว หยดน้ำหยดน้อยๆหยดบ่อยๆน้ำยังหมดไรจะจิตแม่ปิดน้อยปิดบ่อยๆก็เสื่อมยศบุญกรรมถึงทำน้อยทำบ่อยๆก็ปรากฏสิ่งเสีจิตเสีแต่น้อยเสียบ่อยๆก็พลอยทรยศเหมือนทรัพย์สินกินแต่น้อยกินบ่อยๆก็หายหดแกรั่วเงินมีค่าต่อเมื่อน้ำตาไหลหยดหมดไปเหมือนกันนะเราถือว่าบางทีเราสูบเอารถโอชะปอดของเราเสียอะไรส่วนในมันเสียกินเหล้าเหมือนกันนะ เขาบอกว่าไตของเราทํางานทํางานอย่างไรทํางานเปลี่ยนอะลิตรแอลกอฮอล์มาเป็นออกซิเจนเวลาเรากินเหล้าเหมือนเครื่องสีเนี่ยเครื่องสีแล้วพอเราเทข้าวลงในกวยใหญ่เราชักเปิดให้ข้าวมันไหลทะลักลงไปหาลูกบดลูกบดมันบดบี้ใส่ตะแกงถ้าเราเปิดตะพื้นตะพื้ตะแกงมันจะทะลุตะแกงมันจะขาดเครื่องมันจะติดขาดจุด จ, จ, จักชักช้าเข้าไปเลือดเนี่ย อันนี้เหมือนกันเละกินเหล้าเข้าไปเล่งเข้าไปเล่นเข้าไปไอ้ตับมันทํางานเปลี่ยนฤทธิ์แอลกอฮอล์มาเป็นออกซิเจนไม่ทันคล้ายๆกับว่าลูกบทที่มันบี้ใส่ตะแกงบทข้าวกระเทาะเปลือกไม่ทันนี่ตะแกงก็ขาดทะลุอันนี้ก็เหมือนกันละไอ้ตับมันทํางานไม่ทันมันเปลี่ยนฤทธิ์แอลกอฮอล์มาเป็นออกซิเจนไม่ทันมันก็ปล่อยแอลกอฮอล์ไหลผสมผสานกับเลือดของเราไปเลยเราก็แพ้ต่องเบือ่อต้องเมาต้องตับโตต้องอะไรต่ออะไรไป มันเสียหายเหมือนกันนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของบอําเรอไม่ใช่อาหารอันนี้ต้องระมัดระวังยิ่งคนหนุ่มของเราไม่ได้ฝึกธรรมะเนี่ยเราย่อมพิจารณาโดยแยบคลายแล้วนุ่ห่งกีวันพระท่านนี้นะเราย่อมพิจารณาโดยแยบคลายแล้วโกรธฉันบิดบาบัเราย่อมพิจารณาโดยแยบคลายแล้วใค่สอยเสนาสนะมีหมดนั่นแหละพระจะใช้อะไรต้องพิจารณาโดยแยบคายผ่านฟันคือธรรมวิจยะเสียก่อนฟันที่เป็นนามธรรม ขอพวกนุก้นู้รุ่หลานนี่ไม่ได้ผ่านฟันอะไรเลยเห็นว่าโลกเขาพาทําเลยตามโลกโลกาทิปไตยะตามโลกชาวบ้านเขาพาทําก็ทำตามตามไปเลยเลยมันเลยเป็นการตามโลกเป็นเอไม่เป็นตัวของตัวเองเลยอันนี้ระวังให้ดีก็น่าเป็นห่วงที่สุดดัง น, น, นั้นในขณะที่เรามาฝึก ด, ด้วยการเหน็ดเหนื่อยเมื่อลาด้วยการอ่อนเปียกเพลแรงไปด้วยกันบางทีถูกครูบาอาจารย์ว่าต่างๆก็จะไป เอาเอาโทษเอาภายัยถือโทษโกรธเคืองกันต้องกลับมาดูใจของตัวเองเนี่ยจึงจะเป็นคนใช้เครื่องมือใช้ธรรมะใช้สติสัพยัญญะให้รู้จักถลุงให้รู้จักเชื่ดเฉือนทามีส่วนชีล้ลิ้วให้รู้จักแก้ไขปวดเปื่องอารมณ์ที่มันมีผิษสงทางกิตทางใจที่ว่าเศกิตะประโยชน์ทํานังการจําระเนี่ยขเข่าวเมาบุญทินที่มันมาจับมาเกาะมาติดแปดเปลืน่นจิตใจของเราให้สวมมุนเส้นสมองมันก็เป็น พัฒสอนผ่องใสสะหัดหมดโหฬงางามขึ้นในเรื่องกิดเรื่องใจนี่เ ป, น เ, ปนเป็นเรื่องละเอียดมันจึงต้องระมัดระวังให้มากมากยิ่งกว่าฝ่ายกายที่ด้วยซ้ำเอาลัการบรรยายธรรมะมา ก, ก็นานพอสมควรแต่ว่าเป็นปกิจนกคเป็นเบตเตเลศพูดข้ามโ น, นข้ามนี่พวกลูกหลานคงอาจจะยุ่งแต่เราเอาเฉพาะที่เราจาได้เห็นว่ามันเป็นประโยชน์เท่านี้ก็คงจะ พอเหมาะพอสมกับอัตภาพอะที่สุดแห่งกญญารบรรยายธรรมะขอให้เราทุกท่านจงใช้ความบากบันพยายามฝ่าฟันอุปสรรคนานาประการสิ่งใดที่ไม่เหลือวิสัยก็ขอให้ความปรารถนาของท่านได้สำเร็จในเร็ววันจงทุกทุกท่านถือ